พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพระสงฆ์ป่วยเราต้องช่วยกันวันนี้หลวงพ่อฉันจะขันเสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้ ไปไประชุมหารือเกี่ยวกับตั้งมูลนิธิอภิบาลสงโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีวันนี้เป็นวันสตาร์ทหรือว่าเป็นวันเริ่มแรกแต่วั น, นก่อนๆเป็นวันหารือกันจนมีการมอบอาคารที่จอดรถแล้วก็อาคารหนีไฟ เมื่อวันที่23กุมภาที่ผ่านมาก็จะตุปปัจจัยยังเหลืออยู่ก็คิดว่าจะรวมรวบรวมกันให้เป็นมูล น, นิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลศูนย์ดอนธานีวันนี้คงจะมีการตั้งคณะกรรมการ เ, าเข้าไปบริหารหมูลนิธิ พระทั้งหมดห้ารูปล้วก็โยมคณะกรรมการที่ว่าจะแต่งตั้งหคนแล้วก็โรงพยาบาลพบคณะแพทย์จะเอาสี่คนรวมกันแล้วเขาไม่เกิน15คนมูลนิธิแต่ว่าโรงพยาบาลเอาสคนเพียงแต่คิด เอามาใช้บริหารคนบริหารพระในโรงพยาบาลผอผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็คิดว่าตึกของหลวงตาอันนั้นก็เป็นตึกสงก็ให้หน้าที่โดยตำแหน่งอนอกนั้นอีกสองคนก็ให้ทางโรงพยาบาลคัดสรร เลือกเข้ามาบริหารกับมูลนิธิสรุปแล้วก็คือโรงพยาบาลมีหน้าที่บริหารดูแลจัดการพระสงฆ์ใช้เงินพูดง่ายๆใช้เงินที่พวกเราหาหาเข้าไปแต่ทั้งหกคนกับเป็นผู้หาทั้งฝ่ายพระสงฆ์เรเป็นผู้ดูแลดูแลเงินมูลนิธิทุนนิธิให้เกิดประโยชน์ ต่อคณะสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่าเงินหมูน่นิตินี้ถ้าเราแต่งตั้งหรือว่าตั้งขึ้นมาแล้วเกิดประโยชน์สำหรับพระสงฆ์บางทีถึงผู้มีอติเลกลาภมากก็เถอะนะมีผู้รู้จักมักคุณมากแต่ว่าขราวนี้จะต้องได้ใช้เงินแปดแสนนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟัง แล้วจะเอากับลูกขิดคนใดล่ะเงินแปดแสนพูดไปหาใครใครก็จะรุ่งหมดหมดน่ะถ้าว่าเงินมูลนิธิของเรามีเอาค้ำไว้ก่อนเอาเอามูลนิธิค้ำไว้ก่อนหน่อยเพื่อให้ดูแลพระเถระที่มีความจำเป็นแต่จะต้องได้รักษาแล้วก็หายอยู่บำบัดด้วยเคมีบำบัดเข็มละแสนแปดเดือน 8แ0 0ครถ้าเราจะไปเรียกกับผู้ใดใครผู้หนึ่งก็รู้สึกว่าจะหนักหนักหนาถ้าว่าเป็นโมนิธิเนี่ยคณะกรรมการทั้ง15คนก็ไปชมกันหารือกันเออเอ้าควรจะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่แหละอันนี้ก็คือูลนิธิมูลนิธิของเราไม่ใช่หาแล้วเก็บไว้ไม่ใช่ถ้าว่าพระสงฆ์เกิดโรค ภัยไข้เจ็บโรคระบาด เ, เรื่องวัตถุประสงค์เจ็บไข้ได้ป่วยมากประสบอุบัติเหตุเงินก้อนนี้พร้อมที่จะเอาออกมาใช้ทั้งหมดเราไม่ได้เก็บไว้เพื่อใครถ้าประสงค์ตายหมดแล้วเงินก้อนนี้จะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้คือเอาเพื่อบริหารคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสงฆ์สงฆ์มีความลําบากอย่างไร จุดตกปัจจัยที่พวกเรารวบรวมขึ้นมาเนี่ยก็ เ, เพื่อดูแลคณะสงฆ์ไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะอย่าไปคิดว่าเพื่อหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยากจะได้หน้าได้ตาเนี่ยใครคิดอย่างนั้นไปว่าคิดเป็นทางอากุศลพะหลวงพ่อจะเอาไปทำไมหน้าตาถ้าหาว่าใครเก็บใครได้ป่วยคนนั้นจะได้หน้าใช่ไหมคนที่ป่วยได้หน้าใช่ไหมได้มาป่วยมันไม่ได้หน้าหรอก มีแต่จะเกิดประโยชน์สำหรับผู้มาใช้บริการแล้วก็คิดหาเงินมาตั้งกองทุนก็ไม่ใช่คิดมาได้ง่ายๆอีกเหมือนกันต้องใช้แนวความคิดเห็นไหม เ, เสี่ยงเหมือนกันนั่งรถจากนี่ไปอุดรเนี่ยมันไกลเมื่อไหร่ถ้ารถไปลงข้างถนนแบบหลวงพ่อบุญจันทร์เลยก็ตายอีกเหมือนกันนะ มันไม่ใช่ของสนุกนะไปกับรถกับปลาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเสี่ยงหมดในโลก น, นแต่จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อคณะสงฆ์คาว่าพี่น้องประชาชนคำนี้คืออะไรพระสงฆ์เมื่อท่านดำรงคงชีพท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่แหละเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมันเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่วงในแต่ไม่มีการดูแลเหลียวแลเฉลยก็ไม่ได้แต่พระสงฆ์ก็มีหลายระดับ ฐานระดับผู้มีอติเลกลาบก็ไม่มีปัญหาแต่พระสงฆ์พระน้อยหลงพอ่อหลงตาที่เข้าไปป่วยบังอธิอติเลกลาบศรัทธาญาติโยมไม่รู้จักกับท่านท่านก็ได้รับความลําบากแต่ท่านก็เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี่แหละเราก็อยากจะให้อยากจะช่วยเหลือผู้มีศีลมีธรรม แต่อติเลกลาบน้อยเราจะส่งเสริมท่านเหล่านี้แหละให้เป็นผู้ํำลงทรงศาสนาเป็นผู้มีศีลมีธรรมบางองค์ที่เข้าไปป่วยเมื่อกี้ในหลวงพ่อก็ได้ยินบอกว่าเมื่อหายป่วยแล้วไม่มีเงินจะกลับบ้านพยาบาลต้องได้แชร์เงินกันออกคนละห้าคนละสิบ เพื่อมอบให้จะได้นำหลวงพอ่อหลวงตาหลวงพี่หลวงลุงทั้งหลายกลับบ้านหลวงพ่อว่ามไม่น่าจะเกิดในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีของพวกเราสิ่งเหล่านี้แหละพวกเราเมื่อได้ทุ่มเทได้ช่วยๆกันคิดแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อคิดอย่างนั้นหลวงพ่อจะไม่ง ล, ลงมือแล้วว่าคิดให้ทำไม่ใช่ว่าคิดดุยดยขึ้นมาแล้วก็ทำแบบไม่มีเหตุมีผลนะหลวงพ่อคิดไกลนะลูกหลานนะคณาจารธาญาติโยมผู้พกเพื่อนนะนี่แหล ะ, ะประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ของเราเราก็ภาวนารักษาศีลภาวนา อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ละวี่แต่ละวันเห็นไหมใบไม้มันร่วง เ, เดี๋ยวนี้พอใบไม้ร่วงขึ้นมาเกิดโมโหไอ้ใบไม้มันร่วงทำให้มันร่วงร่วงมากเหลือเกินฮะปัดตาจนเน็ดจนเหนื่อยก็ไม่รู้จักจบจากสิน้นพอปัดไปข้างหน้าข้างหลังก็เต็มไปหมดออไปข้างหน้าบางข้างหลังก็ใบไม้ล่วงเต็มไปหมดปกปัดไม่รู้จักจบจากสิน้นอ เพ อ, เพอๆยังโมโหให้ใบไม้อีกแต่ตามไม่จริงโมโหให้สังขารเราจะโมโหได้ยังไงใบไม้มันเกิดมาเท่าไหร่มันร่วงเท่านั้นอ่ะมันไม่มีใบไม้ใบไหนจะไม่ล่วงพอมันเกิดขึ้นมาแล้วกันะใดๆในโลกล้วนอันนี้จังมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหล่นตามอายุสังขารของมันเหมือนกับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายน่ย ใครเกิดมาจากที่ไหนเมื่อไรต้องมีจุดจบนะบางคนก็ถามว่าเคาะเข็นเวรกรรมของผมเ่ยหมดระยังหลวงพ่อ ย, ยังะหลวงพ่อตอบว่าตอบแบบแข็งขันเลยเาบาปเข็นเวรกรรมของผมที่มันผมหนักสาหัสสากันที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดระยังหลวงพ่อยังโอ้จะมีให้ผมได้รับอยู่ใช่ นันละมรณะภัยสุดท้ายนั่นแหละโค้งสุดท้ายน่ะหนักนะให้ระวังกันแล้วกันให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปคิดว่าตัวเองจะหมดเคราะหมดเข็นนะถ้าชำระใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละหมดเคราะหมดเข็นหมดเวรหมดกรรมหมดหมดทุกอย่างคำว่าบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นแหละ อไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดอีกนั่นแหละคือความหลุดพ้นถ้านอกจากนั้นะอะไรยังนะเฮ้เคาะขินเวีกรรมโค้งต่อหน้าเนะียิ่งหนักกว่าที่ผ่านๆมาฮะโค้งผ่านๆมานะเพนแต่เพียงลูกสมุนมันแย่เล่นเฉยๆนะอโค้งต่อไปเนี่ยนะฮ้กองพลของมันแหละหจะมาระดมไม่รู้ว่อะไรตัวไม่อะไรพราะนั้นพวกเรา ต้องอัตติอั ต, ตโนนาโถโกหินาโถปรติยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครอูคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งของเราได้เพระนั้นให้พวกเราคิดนะนี่แหละแต่พระในครั้างพุทธทัยเจ้าปีพระองค์หนึ่งพอบวชเข้ามาแล้วก็ชอบทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้หล่นใบไหนไปปัดเดินไปปัดทุกวันแต่ในใจของเขาท่านก็บโผลพระในวัดเนี่ยทำไมขี้เกียจไม่ปัดลานวัดเลยแต่ตัวเองปัดลานวัดเดินปัดลานวัดทั้งวันใบไม้หล่นไม่ได้พระเลวตะท่านท่านนั่งนั่งสมาธิท่านนั่งภาวนาท่านก็เห็นพระองค์นี้ปัดใบไม้ทั้งวัน อท่านก็ดูใจของพระ อ, องค์นี้ด้วยว่าท่านเป็นพระหรหันเนี่ยท่านก็ดูใจพระ อ, องค์นี้มันคิดเรื่องอะไรวะเวลาปัดกวาดเนี่ยพระ อ, องค์นั้นก็คิ ด, ดิอือทําไมพระทั้งหลายทําไมขี้เกียจไม่ลงปัดตาดปัดกวาดเหมือนกับเราเนะท่านขยันฮะพอเห็นใบไม้หล่นก็ไปปัดอออกจากลานวัดพอเห็นมันหล่นเห็นไหมไปปัดอแปลว่าจ้องปัดใบ ไ, ไม้ทั้งวันแล้วงั้นเถอะ แต่จะตำหนิคนอื่นหรือว่าตนตน อ, อ, อื่นขี้เกียจเองไงพัดเลวตะก็เลยท่านไปไปสงน้ำํำซะแล้วมาหาผมนะพราอั้นก็เลยไปสงน้ําเสร็จแล้วก็ําระกายให้สะอาดทําใจให้เย็นซะก่อนพัดเลวตะว่านี่นะหน้าที่ของท่านที่ท่านปัดก ว, า ด, กกดกวาดนั้นกระทุกปัดกวาดมองก็ถูกแต่ว่าทางที่ถูกกว่านั้นท่านต้องภาวนา ต้องดูใจของตนเองให้นั่งให้มีจิตใจเป็นสมาธินั่งจิตใจเป็นสมาธิได้เวลาแล้วก็คอยกวาดทีเดียวพอกวาดเสร็จแล้วก็มันหล่นลงมาก็ให้มันหล่นไปแล้วให้ดูใจให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์ความเกิดความเสื่อมเห็นอนินจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายสังขารแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิ จิตใจของเรามันหลงเรื่องอะไรเมื่อท่านนั่นแหะพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะอันนั้นแหะคือทางที่ถูกต้องน ะ, ะกวาดใบไม้นี่นก็ถูกแต่ว่าก็ถูกในระดับหนึ่งแต่เมื่อท่านภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วก็ภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณา อ, อาการ32แยกส่วนแบ่งส่วนอันนี้ถูกกว่า เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระอนันท่นก็เลยปฏิบัติตามเนี่ยแหละท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอราหารันต์เนี่ยแหละพระในครั้งพุทธเจ้าเนี่ยแปลกเปก็นกันนะถ้าพวกเราได้อ่านในหนังสือพระไตรปิฎกการแนะนําสั่งสอนของพระเถระมหาเถระในยุคสมัยนั้นก็เนี่ยถ้าเห็นใครเห็นองค์ไหนผิดแปลแตกต่าง ท่านก็ไม่ให้นิ่งดูดายไม่ใช่นาทีไม่ใช่คาคาไม่ใช่าาใชนาทีไม่ใช่นะท่านเห็นองค์ไหน เ, เห็นว่าออกนอกรูนอกทางไม่เข้าอยู่ในมีความเห็นออกนอกมิดเป็นมิดมิดฉาทิฏฐิเรื่ออความเห็นไม่ตรงต่อทำคำสอนของพระพุทธทเจ้านะก็ต้องแนะนำบอกกล่าวกันซึ่งกันและกันนี่แหละ อันนี้อยู่ในสารานิยธรรมตั้งเข้าไปตั้งมนโนกรรมต่อเพื่อนภิกษุสั ม, มนเน็นทั้งต่อหน้าและรับหลังคื อ, อทำคิดด้วยจิตเมตตาแนะนำสั่งสอนทำคำสอนให้ถูกต้องด้วยจิตเมตตาเนี่ยนี่แหละในการอยู่ด้วยกันรมเย็นเป็นสุขทนหน้ากันถ้าว่าเราอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้วนว่ามูลนิธินี่ครับ นี่เข้าไปตั้งกายกรรมตัวนี้ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกสุสัมมนเนนทั้งต่อหน้าและรับปลังเมื่อภิกิุสั ม, มนเนเจ็บไข้ได้ป่วยขาดเหลือปัจจัยสี่ที่จำเป็นพวกเราพอมีแล้วก็ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเมื่อท่านหายจากโรคัยไข่เจ็บแล้วท่านก็จะโหเหยียบเส้นแดงขาวนี่ เกือบตายถ้าตายแล้วก็จบจิตใจยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอยู่เหยียบเส้นแดงแล้วเอาเถอะตั้งแต่บัดนี้เป็นเป็นต้นไปชีวิตที่ยังเหลือข้าพเจ้าจะอยู่ในจิตปฐานสีกายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นท่านพอนาท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เข้าโรงพยาบาลที่พวกเราได้ดูแลท่านด้วยมูลนิธิแล้วนะพวกเราก็ได้บุญได้ไดกุศลจากท่านด้วย อเพราะเหตุไรก็เพราะท่านตั้งใจภาวนาอย่างน้อยก็จิตใจของท่านได้รับความสงบเป็นสมาธิทมากกว่านั้นก็เป็นพระอริยะบุคคลพวกเราก็ได้บุญกุศลจากผู้ที่ท่านได้บำเพ็ญ น, นี่แหละถ้าเราสร้างคุณงามความดีมันสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะถ้าเราพิจารณาดูไปแล้วนะเว้นเแต่เราไม่ได้คิดมันขยังว่า มันสั้นทำมันไม่ได้คิดทำมันสั้นแต่คิดไปในทางที่ดีมันก็ดีแต่คิดไปในทางที่ชั่วมันชั่วเนอะชั่วได้เหมือนกันนะคิดไปทางใจชั่วคือไงไอ้มีพระองค์นี้มันป่วยไอ้ป่วยเข้ามาแล้วอถ้ามันตายไปแล้วก็ดีเพราะไม่ได้ทําความชั่วก็หายจากป่วยจะได้ทางคดทางโกงทางขโมยทางป่นทางจี้ทางอะไรทําความชั่วชาติเสียหายทําให้พุทธศาสนาเดือดร้อนวุ่นวายฮะ เนีเพราะว่ามูลทิ่ที่ของเรารักษาหายแล้วเนี่ยเราจะเป็นบาปเนียเราไม่เอาด้วยแล้วสิ่งที่บาปใช่ไหมเราบอกว่าเราไม่เอานะสิ่งที่เขาทําบาป เ, เราเอาแต่สิ่งที่ทําบุญเท่านั้นแหละนะเหมือนกับหมอตาเนี่ยรักษาตาให้หายแล้ว น, น่าจะเป็นคนดีเลี้ยงพ่อแม่ผี่น้องเป็นคนดีทําไหวพระสวนมนุษ์รักษาศีลภาวนาพอตาดีขึ้นไปเลยจ้องไปหาป่นไปหาขาโมย ไปหาสิ่งที่ทำช่วชชาติเสียหายทำมันเสียหายเราก็ไม่เอาด้วยล่ะ เ, เรารักษาตาให้ดีแล้วเนะเราก็เอาที่ที่เป็นประโยชน์นะั่นแหละนี่แหละถ้าจะว่าไปมันมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเราเราพิจารณาดูโล ก, กนี่มันโลกสองเงินสองขมม่มบ้นกันนะนี่แหละแต่ <c oughs> แต่พวกเราจะเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะ ที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นะสิ่งที่เป็นโทษเราไม่เราไม่รับด้วย <c oughs> กับผู้กระทานั้นนะอันรับพร อ, อนโมทนาให้พร